ททานทยเกี้ยวที่หายไปของหญิงสาวกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆของญี่ปุ่นยุคก่อนยังมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่นชอบการทำเกี้ยวอย่างมากยุกิเกี้ยวนี่อร่อยมากเลยนะแต่ทำไมลูกค้าถึงได้น้อยแบบนี้ล่ะ <c oughs> ฉันคงต้องมีร้านที่ใหญ่กว่านี้ละมัง้ง ฉันว่าเธอคงต้องมีเงนินเยอะกว่านี้เพื่อจะทำมันนะ่ะเธอน่จนมากเพื่อนรักเธอจะทำยังไงดีล่ะดูเกี้ยวพวกนี้สิมันดูไม่ตลกไปใช่ไหมใช่เลยมันตลกมากตลกจริงๆนะ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเธอถึงขำออกมาได้ล่ะนี่จริงจังนะยูกิเป็นหญิงสาวที่มีความสุขมากถ้าหัวเราะได้ง่าย และมองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อข้าวเหลือน้อยลงโอกาสในการทำเงินก็น้อยลงไปด้วยแต่ยูกิยิ้มและฮัมเพลงไปด้วยในขณะที่ทำเกี๊ยวของเธอร้อนและกลมอ่อนและนุมน่มนิ่มทำเกี๊ยวที่ดีแถมยังอร่อยอ๋อ ยุกิตกใจอย่างมากที่เกี้ยวของเธอกลิ้งตกลงไปบนพื้นและไหลกลิ้งไปลงไปในรูเล็กๆ เ, <c oughs> เกี้ยวตัวน้อยของฉันอยากจะเล่นซ่อนหากับฉันใช่หรือเปล่ามาดูกันว่าแกจะหนีฉันพ้นไหมอืมอยู่ไหนนะ่าทันใด น, นั้นหลุมเล็กๆได้ขยายกว้างออกยุกิพบว่าตัวเอง ตกลงไปในอุมโมงที่ส่องสว่างกว่าล้านเฉดสอีอ้าอ้ายูกิโผลมาในดินแดนแห่งอื่นเธอลุกขึ้นมาและมองเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่งดงามเป็นอย่างมากว้าวที่นี่มันสวยงามมากๆเลยนนเนี่ยเรียรู้จังเลยว่าฉันอยู่ที่ไหนกันนะ เมื่อเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอเห็นก้อนเมฆที่มีรูปร่างต่างๆ่เมฆก้อนนั้นน่ะดูเหมือนกับแมวเหมีย ว, วน่าตาัดตลกดีจังเลยนะ อ, อืมส่วนนั่นเหมือนกับเกี้ยวเลยแฮะโอ้เกี้ยวของฉันฉันต้องตามหามันแล้วฉันจะไปทางไหนดี ยูกิเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเพื่อตามหาเกี้ยวที่หายไปเกี้ยวเอ๋ยเกี้ยวจ๋าแกอยู่ที่ไหนเอย๋ยโอ้นี่อะไรเนี่ยตรงนั้นมีรูปปั้นที่ดูสูงและแข็งแรงมาตั้งอยู่โอ้พระเจ้าตาใหญ่จริงๆดูประหลาดมากๆเลยนะเนี่ย <laughs> เธอว่าใครประหลาดนะแม่หนูและในอากาศวิญญาณของรูปปั้นได้ลอยออกมาเธอคิดว่าฉันประหลาดจริงเหรอโอ้เออฉันต้องขอโทษ ด, ด้วยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายถึงดวงตาของคุณน่ะดูสวยมากๆเลยต่างหากจริงนั้นเหรอจริงแท้นแน่นอนเลยค่ะมันดูเออกลมโตและสวยมากๆ นี่ฉันก็ไม่อยากจะโม้เท่าไร่แต่ว่ามันจริงฉันรู้ค่ะและฉันก็ทายว่าคุณนะต้องมองเห็นได้ดีอย่างแน่นอนเออไม่ทราบว่าคุณพอจะเห็นเกี้ยวกลิ้งผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคะเห็นบ้างไหมเกี้ยวงั้นเหรอโอ้ใช่มันกลิ้งลงไปทางนั้นนั่นเกี้ยวของฉันเองค่ะฉันขอตัวไปตามหามันก่อนนะ อ, อ๋อ แต่มันแค่เกี้ยวถิ้นเดียวเองเธอทำหม่ก็ได้ไม่ค่ะฉันทำไม่ได้ฉันอยากให้เกียวมีความสุขอยู่ในร้านอาหารของฉันนะคะขอตัวก่อนนะคะฉันต้องไปตามหาเกี้ยวจำมั่มของฉันสะ ก, ก่อนนะคะและเธอจึงรี ว, วิ่งต่อไปเพื่อตามหาเกี้ยวที่หายไปหลังจากที่วิ่งตามทางออกมาได้สักพักเธอก็พบกับรูปปั้นอีกจุดเกี้ยวของฉันหายไปไหนนะ บางทีนางอาจจะเห็นก็ได้สวัสดีค่ะยูฮูเออเออเอว่าไงสวัสดีแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเ อ, อ่อฉันชื่อยูกิค่ะฉันกาลังตามหาเกี้ยวที่หายไปเกี้ยวนั่นเป็นของเธอเองเหรอกลิ่นมันอ่ะหอมมากๆเลยนะฉันเกือบจะกินมันเข้าไปแล้วเชียวนะ่คุณเห็นมันอย่างนั้นเหรอคะคุณเห็นมันจริงเหรอมันไปทางไหนคะ ทางนั้นน่ะมันกระโดดและกลิ้งไปทางนั้นน่ะจ้ะอ่ะงั้นฉันคงต้องเดินต่อไปอีกสินะแต่ว่าเออไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอ oh. ท่านใดนั้นพวกเขาก็เห็นปีศาจตัวใหญ่กำลังเดินเข้ามาหามันมีสีฟ้าไปทั่วทั้งตัวและเสียงคำรามราวกับกอริลลาจมูกของมันตลกมากมันจะกระตุกทุกสองสามนาที และยูกิก็สังเกตเห็นโอ้นั่นมันโอนิ <laughs> จมูกเขาดูเดอมากเลยค่ะ <laughs> อย่าบอกเขาเฉียวนะเขาไม่ชอบแบบนั้นทำไมเธอไม่มาแอบข้างหลังฉันแล้วรอเซอร์ไพรส์เขาล่ะฮะยูกิแอบซ่อนหลังรูปปั้นอย่างดีและนั่นทำให้โอนิมองไม่เห็นเธอสวัสดีคุณนายสบายดีนะวันดี โอ้โ ห, โหแดดจ้ามากเลยแหละวันนี้นะฉันอยากจะเอ่อยืดเส้นยืดสายสักหน่อยน่ะ น, นะคือว่าฉันออกมาเดินเล่นแลลมมันโชยเย็นดีในขณะที่เขากำลังสูดอากาศจมูกของเขาก็เริ่มกระตุกยูกิมองเห็นสิ่งนี้และเริ่มหัวเราะ อ, ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ จมูกนั่นตลกชะมัดย่าเลยโอ้นั่นใครนะทำไมข้าได้กลิ่นเหมือนมนุษย์ร่ะสป라이ส์โอ้น่ะมนุษย์เอ่อนั่นทำอะไรน่ะฉันหมายถึงเหมือนหมากำลังดมกระดูกไม่มีผิดเลย ถ้าไม่กลิ่นเหมือนเกี๊ยวอ่ะเหมือนอันที่ฉันเห็นแล้วก็กินไอยมื่อือเจ้ากินไปงั้นเหรอทําไมไม่เอามาแบ่งกันบ้างโอ้ด้วยอาหารเยอะแยะพวกนี้ที่มนุษย์เอามาให้คุณสิคุณแทบไม่กินพวกมันเลยแต่เกี๊ยวนั่นนะ่ะกลิ่นมันน่าอร่อยมากเลยนะเธอมันอร่อยมากเลยลขอบคุณข้าเป็นคนทํามันเองเจ้าเป็นคนทำเหรอ เกี้ยนั่นอร่อยสุดๆเลยเจ้าต้องทำให้พวกเราอีกนะที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากกะหล่ากับป๋ามหมูะเนาะเย่นนะ <Yeah. S 3> ั่นฟังดูแย่ชะมัดเพราะมันไม่ใช่แบบนั้นงั้นเดี๋ยวฉันทำให้เองค่ะครัวอยู่ที่ไหนคะมาที่บ้านข้าสิแล้วทำไมไม่ไปพบเพื่อนๆพืน พ, นพวกเราเอาล่ะมาจัดปาร์ตี้กันเถอะยินไลยโอ้ปาร์ตี้โออเย่ oh, ดังนั้นโอนิจึงพาเธอข้ามแม่น้ำกลับที่บ้านของเขาและพาเธอเข้าไปที่ในครัวว้าวบ้านหลังนี้ใหญ่ชะมัดเลยก็พอดีสาหรับโอนิอย่างฉันเธอต้องการข้าวใช่ไหมกะสบใบนี้มีข้าวอยู่แต่ไม่ใช่ข้าวธรรมดาเหมือนกับบนโลกมนุษย์นะ <c oughs> แล้วมันวิเศษกว่าข้าวอื่นยังไงคะก็ขอร่อย เพรมันเป็นสีทองและวข้อที่สองเธอแค่ใส่มาลงไปเพียงเม็ดเดียวแล้วมันจะเพิ่มเป็นทวีคูณเมื่อทาอาหารงั้นฉันก็ไม่ต้องทำอาหารจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่มันแค่ง่ายขึ้นมากไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการก็อยู่ในครัว น, นี้หมดแล้วเอาล่ะฉันจะไประเรียกคนอื่นก่อนโอนิเดินออกไปและยูกิก็เริ่มทำอาหารงั้นมาเริ่มทาเกี๊ยวกันเลยดีกว่า สถานที่แห่งนี้ช่างงดงามจริงๆผู้พิทักษ์ข้างนอกก็ตลกและเป็นมิตรมากฉันน่ะชอบที่นี่จังเลย <c oughs> และเป็นอย่างที่โอนิพูด <c oughs> เมื่อยูกิได้เริ่มต้มข้าวลงไปในหม้อไม่ช้ามันก็เริ่มทวีคูณมากขึ้นจนกระทั่งหม้อเต็มไปด้วยข้าววิเศษไปเลยงั้นการทำเกี๊ยวคงง่ายสุดๆไปสำหรับฉันสินะ ไม่นานยูกิก็ออกมาพร้อมกับเกี๊ยวมากมายทุกๆคนรวมตัวอยู่ที่นั่นและสูดดมกลิ่นของมันโอ้ดีเลยน่าอร่อยกลิ่นหอมสุดๆขอฉันกินหน่อยนะยูกิกพูดคุยและหัวเราะอ ย, ย่างมีความสุขไปกับพวกเขาทุกคนทุกทกคนนั้นต่างก็ชอบเกี๊ยวที่เธอทำเป็นอย่างมากนี่มันอร่อยสุดๆเลยจะไม่เคย กินเกี่ยวที่มันอร่อยเท่านี้มา ก, กอดเยี่ยมเลยฉันดีใจนะคะที่คุณชอบแต่หลังจากวันนั้นยูกิก็เริ่มอยากกลับบ้านเธอเป็นห่วงร้านอาหารของเธอโอนิมองเห็นว่าเธอกังวลมีอะไรเหรอยูกิเธอหิวเหรอเธอได้กินเกี่ยวบ้างไหมเนี่ยยูกิเออไม่หรอก ฉันกินจนพุงป่องไปหมดแล้วไม่มีอะไรหรอก <c oughs> คือว่าฉันน่ะเออแค่อยากจะกลับบ้านนะสิโอกลับบ้านหรือแต่ใครจะทำอาหารให้พวกเรากินเนาะทำไมไนายพูดอะไรเห็นแก่ตัวแบบนั้นล่ะมันไม่ตลกนะเธอต้องกลับบ้านแต่ว่าฉันน่ะฉันรักเกียวนี่นอแล้วถ้าหาก เราให้เธอสอนเราเกี่ยวกับการทําอาหารที่แสนอร่อยนี่แทนละ่ะยูกิเธอจะช่วยอยู่กับพวกเราอีกสักวันได้ไหมโอ้ได้แน่นอนค่ะฉันอยากสอนพวกคุณเรามาเริ่มทําเกี๊ยวกันตอนนี้เลยดีกว่านะคะ เ, ออเราเริ่มพรุ่งนี้ได้ไหมฉันอิ่มจะขยับตัวไม่ไหวแล้ว <laughs> วันต่อมา ยูกิได้สอนวิธีทำเกี๊ยวให้แก่พวกเขาดูของฉันเสิดูวิเศษจังเลยกูทอนดูแย่นะแต่หวังว่าจะอร่อยองอมงมงมงมงมเป็นยังไงบ้างอร่อยสุดสุดสุ ด, สดไปเลยในไม่ช้าก็ถึงเวลาที่ยูกิต้องไปเพื่อนใหม่ทั้งหมดต่างมาบอกลานี่ยูกิเอากระสอบข้าวนี้ไป ฉันหวังว่ามันจะทำให้เธอคิดถึงเราแน่นอนข้าวสีทองแด่ชีวิตที่รุ่งเรืองฉันจะไม่มีวันลืมพวกคุณเลยละ่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเธอนั่งเรือและวางกระสอบไว้อย่างปลอดภัย<ม>เธอเริ่มพายเรือออกไปและร้องเพลงอย่างมีความสุข ผ่านทุ่งหญ้าและภูเขานี่คือสิ่งที่ฉันได้ท่องไปตอนนี้ฉันพายเรือไปตามทางเพื่อกลับไปหาเกี๊ยวที่บ้านลาลาลาลาลา ล, าลาไม่นานก็ได้มาถึงชายฝั่งของแม่น้ําเยสมาถึงเครื่องทางแล้วสินะเธอรีบวิ่งผ่านไปยังถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่นและในไม่ช้าก็มาถึงทุง่งหญ้าเอ้ยตอนนี้ต้องทํายังไงเนี่ย ไม่รู้เลยว่าจะกลับบ้านได้ยังไงน่ะเฮ้ยโอ๊ยกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็หิวมากเลยนะเนี่ยขอกินเกี๊ยวแสนอร่อยสักหน่อยแล้วกันอ้ไม่นะแต่ทันใดนั้นมีรูหยุดตรงกลางพื้นดินได้เปิดออกและดูดยูกิเข้าไปโอฉันกลับมาอย่างอุโมงค์สีรุ้งนี่อีกแล้วเหรอเนี่ย ในที่สุดเธอก็กลับมาที่บ้านอะกลับมาที่บ้านสักทีเอาละ่ะมาทำเกี๊ยวกันต่อดีกว่าเธอเริ่มทำเกี๊ยวแสนอร่อยจากกระสอบข้าวขนาดใหญ่ไม่ช้าเธอก็เริ่มขายพวกมันได้มากขึ้นลูกค้าของเธอก็มากขึ้นตามในที่สุดยูกิก็เป็นหญิงสาวที่ร่ำรวย แต่เธอยังขายเอี้ยวอยู่มันดูแปลกแปลกไหมเออเธอไหวแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้ดูตลกนะมันเหมือนอะไรนะอเหมือนโอนี้ยังไงล่ะบูบูยุกิก็ยังคงเป็นยุกิเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากขึ้น <c oughs>